อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมาราปุรุณค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่26พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น6ข่้าเดือน7ปีมะโรงค่ะก็เป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมกันแล้วเดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาะสากาักคำหรือว่ามาสนทนาธรรมะเพื่อที่จะได้รับ สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นแง่คิดที่เราจะนําไปปรับใช้กับชีวิตประจํวาวันของเราได้อย่างดีจากท่านพระอาจาร ย, ย์ไพบุญอภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเกล้นปิดวาจาตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหโศกอําเภอนหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ มีลูกศิษย์ลูกหามากมายแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโทภโสหรือท่านพระครูสิทธิพั พ, าพาการท่านเป็นเจ้าอาวาสที่ได้ดูแลวัดอยู่นะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงรู้จักท่านเป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็หลายท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านอยู่นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมการพระอาจารย์ไปบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำมศการเจ้าขา่าพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าบอล สาธุเจ้าค่ะสําหรับเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนี้นะเจ้าค่ะไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะเมตานําเรื่องอะไรมาสักษาเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวฝั น, นก็คลาสนี้คิดว่าจะคุยเรื่องที่มันละเอียดละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปในเรื่องของการปฏิบัติเนาะที่ผ่านมาเราก็ได้คุยเรือ่องของเหตการบ้านเมืองอะไรไปด้วยนะเราคุยเรื่องอะไรต่างๆนานามาเยอะแล้วทีนี้ คุณเตือนใจก็ถามประมาณมาตลอดเลยนะคราวนี้ขอถามคุณเตือนใจบ้างเจ้าค่ะคุณคุณเตือนใจเนี่ยชอบกินชอบรับประทานขนมเค้กไหมชอบเจ้าค่ะทีนี้ขนมเค้กรสอะไรที่ชอบกินวานิลาช็อกโกแลตหรือเค้กกล้วยหอมหรือเค้กอะไรชอบช็อกโกแลตเจ้าค่ะชอบช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วคุณเตือนใจรู้ไหมว่าในในเค้กช็อกโกแลตเนี่ยนะมันมีส่วนผสมอะไรบ้าง โยมก็ทราบว่าก็ต้องมีแน่นอนมีแป้งน้ำตาลน้าค่ะมีเนยเลยน่าจะมีเนยนมด้วยแล้วก็น่าจะมีผงช็อกโกแลตกุบะช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ต้องมีไข่ด้วยใช่เจ้าค่ะทีนี้เวลาเวลาเราเรากินเนี่ยนะคือคุณเตือนใจก็คงจะไม่ไม่ได้กินเอากินไข่้าไปก่อนแล้วก็กินแป้งตามเข้าไปแล้วก็กินน้ํากินอะไรตามก็ไปแล้วก็ไปเขย่าขย่าในตัวไม่ใช่เงี้ยถูกไหมไม่ใช่เจ้าค่ะต้องต้องผสมข้างนอกก่อนให้มัน ให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือให้มันเนื้อมันเนียนกันเป็นอันเดียวกันใช่เจ้าค่ะเราถึงจะรับประทานใช่แล้วเราก็เอาไปทําผ่านกระบวนกา ร, รต่างๆมันถึงจะออกมาน่ากินตามที่เราต้องการทราบนัะทีนี้ เ, เวลาที่เราปฏิบัติธรรมนี้ก็เหมือนกันอรรมาต้องการจะพูดประเด็นเนี้ยย้ำๆให้ซ้ําๆให้บ่อยๆที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นคือเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ใช่ว่าคุณมาวัดคุณทําอย่างหนึ่งคุณไปบ้านคุณทําอีกอย่างหนึ่งนั่นคือบางคนเนี่ย มาวัดเนี่ยนะโอ้ยทำปฏิบัติอย่างดีเลยกลับบ้านนี่ยังด่าลูกด่าผัวแล้วก็มีอาการไม่พอใจนูน่นนี่อะไรต่างๆมีอยู่ซึ่งซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติของคุณเนี่ยทําได้ไม่เหมือนกันนะไม่ได้ออกมาเป็นเนื้อเดียวกันอคือยังมีความแตกต่างกันอยู่ยังผสมกันไม่เข้านะคือคือมีหลายคําถามนะที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะมีความสงสัยอย่างเช่นว่าเออเวลานั่งสมาธิเนี่ยเอจะพิจารณาตอนไหน แล้วตอนไหนจะทํายังไงถึงจิตจะสงบจิตสงบแล้วจะทํายังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นที่พูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าเวลาที่จิตเราสงบลงไปเนี่ยคุณเดินใจลงหายใจของเราเนี่ยนะลหมหายใจของเราเนี่ยมันมีที่พระเจ้าบอกว่าอานาปานสติเนี่ยเป็นเป็นทําให้มากแล้วจเจริญให้มากแล้วจะมีสติปัฏฐานสี่เจริญใช่ไหมมีทั้งกายเ <c oughs> วทนาจิตและธรรมและมีกายเวทนาจิตและธรรมนะคือพระเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราขึ้นสู่เจดี จะมาจะขึ้นสู่จากทางตอนออกถึงตอนตกเหนือใต้ก็ขึ้นไปสู่ตรงกลางของ J จดีเหมือนกันนะหรือว่าเปรียบเหมือนเวลาที่ช่างกลึงเขากลึงชิ้นงานเวลาช่างกลึงก็กลึงชิ้นงานหรือว่าเราเลื่อยไม้อย่างนี้นะคุณเติอนใจเคยเล่าให้มัดอาธมาฟังว่าคุณเติอนใจก็เคยเลื่อยไม้แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ใช่ไหมเวลาเวลาเราเลื่อยไม้เนี่ยมันจะมีเวลาเราดูจุดที่เลื่อยไม้เลยนะมันจะมีทั้งตัวเลื่อยมันจะมีทั้งตัวไม้ทั้งขี้เลื่อยและทั้งท่าทางการเลื่อยอยู่ในตรงนั้นหมด สอย่างดูจุดเดียวเนี่ยนะสมมติเราดูจุดที่ที่เลื่อยสัมผัสคมเลื่อยสัมผัสกับตัวไม้เนี่ยนะเราจะเห็นเลื่อยด้วยเราจะเห็นตัวไม้ด้วยนะแล้วเราก็จะเห็นขี้เลื่อยที่มันไหลออกมาด้วยนะแล้วเราก็จะเห็นว่ามุมเขาทากี่องศาเขาใช้แรงเท่าไหร่เขาใช้ท่าทางการเลื่อยเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้เป็น4ส่วนแยกออกมาันคือแค่เรามองที่จุดเดียวเพราะฉะนั้นพอเรามองที่จุดเดียวตรงเนี้ยมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันหมดทีนี้ถามว่าพอเรามองที่จุดเชื่อมต่อตรงเนี้ยถาว่าคุณมองอะไรอยู่นะคุณมอง อ่เลื่อยหรอหรือว่าคุณมองไม้หรือว่าคุณมองขี้เลื่อยหรือคุณมองมุมองศาแรงที่เขาใส่เข้าไปนะเหมือนการที่ต้องการจะบอกเนี่ยสมมติคุณกินเค้กช็อกโกแลตเนี่ยคุณกินอะไรเค้กช็อกโกแลตอ่ะคุณกินไข่หรือว่าคุณกินเนยหรือว่าคุณกินแป้งหรือคุณกินน้ําตาลคือมันกินด้วยกันหมดแล้วอ่ะมันอยู่ในนี้หมดค่ะแต่เพราะนั้นเวลาลมหายใจของเราดูลมหายใจเนี่ยคือมันอยู่ในนี้หมดนะแต่ที่ผู้ชาบอกสอนเนี่ยต้องการแยกออกมาให้ดูว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้าง เนี่ยคนจะทําขนมได้เนี่ยเขาต้องรู้ส่วนประกอบใช่ไหมผ <Okay. S 1> สมให้ดีทําตามกระบวนการนะคุณจะเอาไข่ไปอบก่อนแล้วมาผสมกับแป้งมันจะไม่ได้เรื่องเลยคุณต้องเอาไข่ผสมกับแป้งก่อนแล้วค่อยไปอบอย่างนี้ก็มีกระบวนการด้วยนะเพราะตรงนี้คือหมวดของธรรมะแตนะที่ต้องการพูดเนี่ยเพื่อที่จะแยกว่อาออลมหายใจคือกายนะถ้าเราดูที่ลมนะไอตรงที่จุดสัมผัสระหว่างลมกับตัวเนื้อเยื่อในจมูกมันมีสัมผัสเกิดขึ้นอันนี้คือเวทนานะอย่างนี้นะ แล้วจิตพูดที่เข้าไปรู้ลงหมายใจนี่คือจิตนะแล้วที่กระบวนการที่เข้าไปรู้ลงหมายใจอย่างเช่นแบบบางทีมีนวมนิวรณ์เกิดขึ้นบางทีจิตฟุ้งซ่านบางทีเห็นธรรมะบางทีรู้อะไรขึ้นมาอย่างนี้พวกนี้เป็นธรรมะทั้งหมดแต่เป็นส่วนที่4ี่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการเลื่อยไม้ใช่ไหมตัวเลื่อยนี่เป็นอันที่1นะตัวไม้เป็นอันที่2อนะไอ้ขี้เลื่อยที่มาแล้วมาเป็นอันที่3ส่วนอันที่4นี่ก็เป็นท่าทางการเลื่อยมุมองศาในการเลื่อยใช้วิธีการเลื่อยใช้เลื่อยแบบไหนอันนี้อันที่สี่รวมกันหมด S <S นะหรือว่า พ, พระพุทธเยกตัวอย่างของช่างกลึงนะช่างกลึงเวลาเขาจึงกลึงชิ้นงานเนี่ยถ้าคนเคยเห็นช่างกลึงเขาจะทราบดีอยู่เขาก็จะมีตัวใบมีดที่ใช้กลึงใช่ไหมสอตัวชิ้นงานนะสาไอตัวขี้เลือ่อยที่มันออกมาตัวขี้ของเนื้อ ง, งานอาจจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นอะไรนะ <S <S แล้วอันที่4ี่คืออันที่3านี่บางทีเขาใช้น้ํามันหล่อลื่นด้วยในการที่จะกลึงชิ้นงานจะมีเครื่องกลึงชนิดที่เขาฉีดสารหล่อเลื่นเข้าไปแต่ทําให้มันกลึงได้เร็วขึ้น ได้สะดวกมากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นนะ <Okay. S 1> แล้วอันที่4ี่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการขึ้นรูปว่าคุณต้องการขึ้นรูปเป็นอะไรนะมะีการใช้ความเร็วในการใช้ความเร็วเท่าไหร่อันนี้เป็นส่วนที่4แต่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการการกรลึงหมดเลยเป็นเนื้อเดียวกันนะทำให้เป็นธรรมชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราทําสมาธิก็ตามหรือเรามารู้ลมหายใจในคุณจะใจมันเป็นธรรมชาติเดียวกันหมดนะคือที่ต้องพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อต้องการให้ท่านผู้ฟังทราบว่า เี่เราจะไปแบ่งแยกมาทำมาทำตรงเนี้ยมันจะผิดกระบวนการนะคืออย่างเรากินเค้กเนี่ยเราจะไม่ได้กินกินไข่ก่อนแล้วก็กินเนยเข้าไปตามแล้วผสมกันในท้องมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยคือเราทำที่จุดเดียวนะคือทำที่จุดเดียวคือทำที่จุดลงหมายใจของเรานะแล้วไอสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมันจะไหลาตามมาเองหมดในะอย่างคนฝึกเขาฝึกเล่ยไม้ใหม่ๆเนี่ยนะคุณจะใช่ถ้าบอกว่าเราเราทำไม่ถูกเนี่ยนะมันมันไม่ไปนะ คือคุณจะจรดคมเลื่อยไม่ถูกจะทำมุมองศาไม่ถูกมันจะกลายเป็นออกมานดิเรื่อยก็ไม่ตรงละ <Okay. S 1> นะซึ่งซึ่งถ้าผมว่าเราทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นรวมเดียวกันหมดได้นะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น ช, ชนานานน่างที่ชำนาญงานช่างที่ชำนาญงานเนี่ยเขาใส่ปุ๊บเลืยมาโอ้มันดูเหมือนง่ายเหลือเกินนะเลื่อยออกมาก็ตรงแล้วก็คมเรื่อยก็ดีอะไรต่าง ม, มันก็ดวงมาดีหมดท่าทางก็ดีนะเพราะว่าเขาเอาส่วนผสมเหล่าเนี้ยผสมกันอย่างดีแล้ว ใช่ไหมอย่างเวลาเราทําสมาธิเนี่ยถ้าเราจะต้องมาบอกว่าพิจารณาตอนไหนอา้าวแล้วอันนี้มันเป็นกายหรือมันเป็นเวทนาอา้าวแล้วจิตชั้นสงบไปแล้วจะเป็นยังไงลไมหายใจไปไหนไพวกนี้คุณทําให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยแต่ทําไม่ชํานาญนี่คือประเด็นที่อาตมาต้องการจะสื่อสารว่าทําให้ชํานาญทําให้มันละเอียดทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันทําให้มันเหมือนการตลอดเวลาคือคือบางคนเนี่ยทําได้เฉพาะเวลาที่คุณมาวัดมาวัดนั่งสมาธิแม้ใครๆก็ทําได้ นะคือหลายๆคนจะทําได้ตรงนี้แต่พอกลับบ้านไปแล้วถูกเขาด่าโอ้โห เ, เริ่มละเริ่มลายออกไอ้ที่ <Okay. S 1> ทามาเรียนมานี่คืนพระไปหมดคืนคุณครูไปหมดแล้ว <Okay. S 1> คือแสดงว่าส่วนผสมคุณคุณไม่เข้ากันละ <Okay. S 1> คือบางทีอย่างในในเค้กเค้กอะไรเคร้กกล้วยหอมอย่างนี้เป็นต้นนะ <Okay. S 1> ถ้าคุณคุณเอากล้วยหอมมาเนี่ยอสมัยก่อนมาเคยทำเค้กกล้วยหอมเนี่ยนะถ้าเรา <Okay. S 1> เอากล้วยหอมเราต้องเอาสุกๆุกหน่อยเพราะมันจะได้กลิ่นอหมอมๆหน่อยแต่ถ้าเราเอาสุกมากเกินไปจนมันเริ่มดําแล้วเนี่ย เค้กกล้วยหอมเนี่ยจะอยู่ไม่นานนะ <Lucas. S 1> คือมันจะมีอายุสั้นแล้วมันก็จะเริ่มเน่าเริ่มเหม็นแล้วเวลากินกเขาแบบมันจะขมๆขมในคอนิดนึนงตรงท้ายท้าลิ้นเนี่ยนะเนื <Lucas. S 1> ่องจากความที่ส่วนผสมของเราไม่ถูกต้องอืเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่ เ, เราเร า, เรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยถ้าคุณยังมีความอยากอันนี้ส่วนผสมนี้ต้องปาดทิ้งไปต้องปาดออกนะหรือว่าเวลาที่เราเใช้ในชีวิตจริงอย่างเงี้ยเรามีความโกรธความโกรดนี่จะผสมในเค้กไม่ได้เลย นะความกรรที่จะผสมในจิตไม่ได้แล้วเหมือนอย่างนีน้ถ้าคุณเอากรวดเอาทรายมาผสมในเค้ก้วนะมันจะกินไม่ได้เลย ม, มันไม่ถูกส่วนผสมละนะคือบางทีส่วนผสมบางอย่างเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะอย่างสมมติถ้าเขาเอาอะไรมาแต่งหน้าอย่างงี้ใช่ไหมเอาส้มมาวางเอ า, เอาสตารอเบอรี่มาวางเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรนะแต่นี้ส่วนผสมที่มันเป็นเนื้อหลักๆจริงๆเนี่ยมันอยู่ในนี้ผสมกันหมดแล้ว เราจะไม่เห็นส่วนผสมที่ชัดเจนตรงนี้พระเจ้าจเวลาประกาศธรรมะเนคุณเตือนใจจึงต้องแบ่งแยกออกมาประกาศให้ทราบว่าในนี้มันมีอะไรบ้างมีอันนี้นะมีอันนี้แล้วก็มีอันน้อนด้วยนะนี่มีโพชงเจตอยู่ในนี้นะมีสติปัฏฐานสี่อยู่ในนี้นะตรงนี้มีเมตตาตรงนี้ศีลอยู่ตรงนี้โอ้โหเป็นละเอียดรอบครอบหมดเลยทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยรวมอยู่ในจิตคุณตือนใจโ <Okay. S 1> อเครวมอยู่ในจิตเป็นเนื้อเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเรายังมีการแบ่งอยู่แสดงว่าการทํางานของจิตเราเนี่ยยังผสมไม่ดีเข้าใจ ถ้าคุณเข้าใจธรรมะตรงนี้ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมันอยู่ในจิตทั้งหมดเลยมันอยู่ในจิตของเราทั้งหมดเลยเจ้าค่ะทีนี้ก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ไพบุญเมตตาสาักษาหรือว่าสนทนามาตั้งแต่ช่วงต้นนะเจ้าคะ่ะโยมขออนุญาตสรุปตามตา ม, ตามที่โยมเข้าใจดังนี้ได้ไหมเจ้าคะ่ะว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงแยกแยะมาละว่าในธรรมะอันสูงสุดที่เป็นหลัก สูงสุดของพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยผสมไปด้วยอะไรบ้างอย่างที่พระอาจารย์เผยบุญได้เมตตาชี้แจงแล้วนะเจ้าค่ะว่ามีโพชองมีนู่นมีนี่แต่ที น, นี้เนี่ยมันอยู่ที่การฝึกปฏิบัติของอแต่ล ะ, ะแต่ละคนแต่ละท่านใช่ค่ะแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งอันนี้พระอาจารย์พูดมาถึงเรื่องของคนที่เริ่มที่จะเข้ามาทางพุทธศาสนาหมายถึงว่าเริ่มที่จะฝึกที่จะนั่งสมาธินะเจ้าค่ะแล้วก็ไปวัด แล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างนี้เจ้าค่ะ <Yeah. S 2> ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่พระอาจารย์ติงในในขณะนี้ก็คือได้เกิดเรียกว่ามีกรณีหลายๆกรณีที่ว่าพออยู่วัดเนี่ยจะทําจิตสงบได้นั่งสมาธิอะไรได้อย่างดีเลยใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าพอกลับมาในชีวิตประจําวันซึ่งมันวุ่นวายเนี่ยก็ปรากฏว่ายังเกิดความโมโหไปด่าคนนู้นคนนี้หรือมีจิตใจที่ยังเหมือนเดิมมาเจ้าค่ะดังนั้นก็เท่ากับว่าพระอาจารย์กําลังเตือนสติว่า ถ้าเราปฏิบัติได้จริงคือสามารถที่จะรู้ว่าสูตรเหมือนทําเ ค, ค้กอย่างเงี้ยเจ้าค่ะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างอย่างที่พระพุทธองค์สั่งสอนแล้วเราต้องเอามาผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนคือไม่ว่าจะอยู่ที่วัดหรือว่ากลับมาทํางานหรือว่าอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นเนี่ยสามารถที่จะรักษาจิตเราให้สงบอยู่ได้ตลอดเวลาใ ช, ใช่ไหมเจ้าคะ่ะ ใ, ให้มันต่อเนื่องต่อไปอย่างนี้เจ้าค่ ะ, ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า น, นี่คือเรื่องของ นี่คือเรื่องของการใช้งา น, นในชีวิตประจำวันก็จริงหรือว่าในวัดก็จริงคือเราต้องทําให้เหมือนกัน <Okay. S 1> คือบางคนเนี่ยเก่งแต่ในห้องเรียนอย่างเดียวแต่พอมาใช้ชีวิตจริงไม่เก่งคือบางคนสอบได้เป็นเกรดสามเกรดสีจบด็อกเตอร์อะไรต่างๆแต่พอมาใช้ชีวิตจริงออกทําไมมีปัญหาชีวิตคู่มีปัญหาครอบครัวครอบครัวแตกแยกนะเพราะว่าที่ทางโลกเขาจะพูดกันถึง i อคิอีใช่ไหมเนี่ยตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าทําไมคุณถึงไม่สามารถทําได้เพราะว่าส่วนผสมบางอย่างคุณไม่ถูกต้องอ่า ออย่างกรณีของอามาเคยทำไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรคุณตือนใจเขาเรียกเยลลี่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเยลลี่อ่ะเนาะเขาก็ต้องมีผงวุ้นอะเขาเรียกว่าวุ้นใช่ไหมผงวุ้นเนี่ยมาผสมแล้วก็เทใส่ไปในหม้อในแบบใช่ไหมทีนี้ไอหม้อแบบหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกระดาษแมพพิมแมพพิมแมพพิมแมพพิมพ์ตรงนี้เนี่ยถ้าเราผสมอย่างส่วนถูกต้องเนี่ยนะตอนนั้นอามาเคยทําเนี่ย เราไประ ล, ลึกถึงเหตุการณ์นี้เราพบว่าอ๋อส่วนผสมของเราไม่ถูกเวลาเทใส่แม่พิมพ์แช่ตู้เย็นออกมาควา่ำโป๊ะอ้าวเป็นน้ําก็มีที่เป็นแข็งก็มีในที่แข็งเป็นวุ้นก็มีที่เป็นน้ําละลายออกมาเลยก็มีคือมันไม่แข็งด้วยเนื่องจาะว่าส่วนผสมของเราไม่ถูกหรือว่าเราใช้เวลาน้อยไปส่วนผสมของเราไม่ถูกต้องออน้ําเราไม่สะอาดเรามีเกลือไม่พอหรืออะไรต่างๆทําให้การทํางานของปฏิกิริยาตรงนี้มันไม่สมบูรณ์แต่ทําให้ใบางทีก็ตรงกลางๆแข็งอยู่ ตรงขอบขอบนี่เริ่มแตกออกมาเลยเป็นเป็นเนื้อเป็นน้ําไหลออกมาเยิ้มเลยนะ <Okay. S 1> ซึ่งตรงนี้บ่งบอกถึงการที่ส่วนผสมของเราไม่ถูกต้องส่วนผสมของเราไม่ดีนะคือมันละเอียดละเอียดตั้งแต่ตอนที่เราทําสมาธินะสมมุติอยู่ในวัดอย่างเงี้ยถ้าเราจะมาแบ่งแยกว่าอ๋อตรงนี้เป็นโพชงนะตรงนี้เป็นเมตตานะอตรงนี้เป็นอุเบกขานะโอ้ยเราจะเริ่มสับสนละอืเราจะเริ่มแยกกันออกมามากเกินไปนะคือเราต้องสังเคราะห์นะให้มารวมกันอยู่เป็นอันเดียวในจิตของเราไม่ใช่อ คือที่พระพุทธเจ้าแยกแยกะออกมาเนี่ยเพื่อให้เราทราบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วเวลาเอามาใช้จริงในจิตของเราเอามารวมกันให้อยู่ตรงนี้นะอย่างสมมติคนที่บอกว่าต้องเจริญเมตตาตอนไหนต้องก่อนหรือหลังหรือระหว่างได้ไหมเราให้ทานก่อนหรือหลังดีกวดน้ําก่อนหรือหลังโอ้ยมันเป็นเรื่องสับสนไปแล้วนะถ้าเราถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันออกมาจากจิตเนี่ยทำตอนไหนเราจะสบายใจตลอดนะนนี่คือเวลาที่อของคนที่ทําได้นะทีนี้มันก็สิ่งที่ยับขึ้นมาอีกนะที่คุณตนใจพูดถึงว่าเอาทั้ง วัดก็ส่วนหนึ่งทำไมใช้ชีวิตในทางบ้านอีกส่วนหนึ่งอย่างเนี้ยะ <Okay. S 1> ที่อาจจะมากําลองชีพประเด็นนึงก็คือว่าบางคนเนี่ยเรียนเก่งแต่ว่าใช้ชีวิตจริงไม่เก่งแต่บางคนเนี่ยเรียนหนังสือคือหนังสือมันจะมีอยู่2ระบบใช่ไหมคือคุณเรียนบางคนเรียนได้แต่สอบไม่เป็นสอบไม่เก่งคือคุณเข้าใจอยู่เข้าใจวิธีการเข้าใจการทำข้อสอบแต่สอบจริงๆแล้วสอบไม่ได้แต่เราสอบได้ธรรมดาแล่เราก็ถัดมาในะระดับที่สามก็คือการเอาไปใช้จริงจรแต่บางคนเรียนเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องนะ จำได้เฉยสอบผ่านอยู่นะอันนี้ก็ระดับหนึ่งบางคนเรียนเข้าใจหมดเลยแต่สอบไม่ผ่านเขาถามแบบที่ตัวเองไม่สามารถตอบได้นะทดสอบแต่ความจําตัวเองเข้าใจแต่จําไม่ได้ก็ภมยผ่านน ะ, นะะทีนี้ที่กําลังจะบอกก็คือว่า3ระดับนี้นะั่นคือระดับในการเรียนรู้อย่างหนึ่งระดับในการทำข้อสอบอย่างหนึ่งแล้วก็ระดับในการใช้ชีวิตจริงอย่างหนึ่ง3ระดับนี้เราต้องทําให้มันเป็นเนื้อเดียวกันทําให้มันเข้ากันอย่างดีนะพอเข้ากันอย่างดีแล้วเนี่ยเราจะประสบความสําเร็จในชีวิต อืมเจ้าค่ะเราจะรู้จักเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะทีนี้โยมคิดว่าฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านจํานวนไม่น้อยทีเดียวที่อยากจะให้โยมได้กราบอถามพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนโ น, นะเจ้าคะว่าการที่เราจะทําจิตของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวเหมือนเปรียบประดุษเหมือนการผสมส่วนผสมธรรมะทั้งหลายแหล่เหมือนทําเค้กอย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันนั้นเนี่ยเราควรจะ มีจุดเริ่มต้นหรือว่าตั้งจิตยอย่างไรควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะ่ะปรับนิมนต์เจ้าคะ่ะคุณตื่นใจว่าเวลาที่เขาเ อ, อที่ที่นักนักพ่อครัวนะนักทำอาหารเนี่ยเขาเรียกว่า อ, อแม่ครัวพ่อครัวที่เขาทําอาหารเก่งๆเนี่ยนะเขาเขาฝึกกันกี่ปีคุณตื่นใจว่ามันไม่ใช่<ย>แป๊บๆนะเป็นหลาย ป, หายปีหลายสิบปีด้วยซ้ําแล้วก็ต้องหมั่นทําด้วยนะเจ้าคะ่ะหมั่นฝึกหมั่นชิม้มปรับปรุง มีความชํานาญมากน ะ, ะหรือช่างไม้หรือว่าช่างกลึงอย่างเงี้ยหรือว่าหมอก็แล้วแต่เถอะคุณเรียนจบหมอหมายอย่างเงี้ยคุณต้องไปผ่านเขาเรียกว่าไปฝึกงานก่อนนะไปฝึกงานอยู่หลายปีต่อมาต่อเฉพาะทางต่อเฉพาะทางก็ต้องอีกหลายปีกว่าคุณจะมาเป็นหมอที่มีชื่อเสียงหมอที่ทําได้อย่างเข้คล่องว่องไวมีความชํานาญถูกไหมวิศวกรก็เหมือนกันในช่างนะคุณออกแบบพังๆมาสักก่อนน ะ, นะสักสามสี่รอบนะพอออกแบบไม่ได้เรื่องคุณเปลี่ยนแปลง การออกแบบคุณทําได้ดีขึ้นมาก็ไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้นะช่างไม้ช่างอะไรเขาก็ต้องใช้เวลาในการฝึกในการที่จะทําให้กระบวนการในการทํางานของเขาเนี่ยถูกต้องเราดูง่างๆยๆ อ, อ, อย่างช่างไม้หรือช่างกลึงเนี่ยถ้าเขาเป็นเป็นมือมืออาชีพนะถ้าทางการกลึงการใช้เครื่องมือของเขาเนี่ยแหมเราจะดูและจะรู้เลยมีความคล่องแคล่วว่องไวชํานาญแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเด็กฝึกงานออกมาใหม่ๆจบจากรงมาใหม่ๆเนี่ยมาฝึกงานกับช่างกลึงอย่างนี้นะโอ้ยเราไปดูมันจะเก้ะเก๊กงๆติดๆขัดะ ใช่ไหมเพราะว่าความที่มันยังไม่ชํานาญแต่เช่นเดียวกันตรงนี้จิตของเราเนี่ยเราทําให้ชํานาญนะทําให้ชํานาญนะทําให้บ่อยๆทําให้ซ้ําๆทําให้ยําๆทาอยู่เรื่อยๆทําบ่อยๆนะพระเจ้าจึงบอกว่ามักเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้เจริญแตนะ่ทำให้เจริญนี่ก็คือหมายว่าทําซ้ําๆย้ำยํำๆบ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะคืออย่างกรณีมันอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําความเพียรด้วยคุณเดินใจคือคือบางทีเนี่ยเราสามารถทําความกุศลและทําให้เกิดขึ้นได้เฉพาะเวลานี้ แต่เวลาอื่นเรายังทําไม่ได้เอ๊ะทําอย่างไรหนอกุศลธรรมที่เรามีอยู่เนี่ยจึง จ, จะเจริญออกไปได้อย่างนี้นะบางทีเรามีตรงนี้เรามีความชั่วอยู่นะทำอย่างไรความชั่วตรงนี้มันถึงจะออกไปได้นะเราต้องลดลดไอ้ความชั่วตรงนี้ลงไปอคุศลธรรมตรงนี้ลงไปนะแล้วก็จะขยายขยายสิ่งที่ดีที่ดีขึ้นมาอย่างบางคนอย่างเงี้ยเราอยู่กับเพื่อนร่วม ง, งานคนที่รักเราคนที่เราดีใจด้วยคนที่เราเพูดด้วยได้คนที่เป็นเพื่อนเรานะสบายใจละแต่พอเจอศัตรูกู้อาฆาตหรือคนที่มันไม่ชอบเราเนี่ย เราจะเริ่มมีเหมือนกับบรรยากาศที่แบบอึมครึมขึ้นมาทันทีในจิตของเรานะคนอื่นเขาคิดานไม่รู้แต่ทําไมจิตของเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะหรือว่าพอเขาพูดอะไรขึ้นมาหน่อยนิดหน่อยยังไม่ทันพูดอะไรมากมายเลยลุกเราโกรธทันทีน แ, แสดงว่าจิตของเราเนี่ยยังมีส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องไงคือคือบางทีเนี่ยนะส่วนผสมถูกแล้วนี่คุณต้องทําให้ชานาญอย่างหนึ่งนะส่วนผสมผิดนี่ยิ่งไปคนละเรื่องเลยนะ อ อ, อย่างสมมุติว่าเราความโกรธอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่จะผสมในจิตแล้วทําให้เรามีความสุขได้ไม่มีทางนะเพราะฉะนั้นความโกรธคุณต้องปาดออกอย่างเดียวต้องเอาออกนะการปาดออกสิ่งที่ไม่ดีออกตรงนี้ต้องใช้มีดที่คมมากมีดตรงนี้คือปัญญานะจุก ค, ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราอะจะเอาส่วนผสมมาเนี่ยส่วนผสมต้องถูกก่อนกุญแจใจน ะ, จ ค, ค, ะคุณถึงจะทําอาหารได้ดีอาหารได้อร่อยได้นะบางส่วนผสมคุณเห็นชัดเจนอย่างในทอดมันประกายอย่างเงี้ยก็เอาอะไร ไอ้ถัวปากยาวเนี่ยสับๆแล้วก็ใส่ลงไปอ้ามันเห็นชัดเจนว่านี่คือถัวปากยาวใช่ไหมเอ้าแล้วไอ้เนื้อที sickness, ่มันเป็นส <that> <for> ีเหลืองๆส้มๆเนียนๆนี่มันมีอะไรบ้างนะผู้เช่าก็บอกออกมาว่าในจิตที่มันละเอียดมันมีอะไรบ้างไอ้ที่เราเห็นเเนี่ยคือแค่ศีลแต่ที่เราเห็นเเนี่ยคือข้อปฏิบัติต่างๆเราเห็นเห็นอยู่คุณกราบพระคุณอะไรเราเห็นอยู่แต่แล้วกราบพระทำจิตยังไงแล้วคุณมีพระเครื่องหรอโอ้ยคุณรู้ปล่าว่าคุณมีพระเครื่องต้องทําจิตยังไงอย่างเงี้ยนะบางทีเราเห็นอออยยูู่่่่่่่แตตววาาาสสนนรรรมมมืๆทีีเเังงไ้้ นะอันที่เราจะต้องเราจะรู้แน่นอนเนี่ยผู้เช่าก็ได้บอกเวลานะั้นคืออริยามรรคมีองแปดนะส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเรื่องของมรรคแทั้งนั้นเลยนะมรรคแปเนี่ยถ้าเราเอาส่วนผสมตรงนี้ออกมาแล้วมาผสมกันในจิตของเรานะจิตของเราจะเป็นจิตที่สบายนะี่เป็นจิตทีอ่อยู่ในชีวิตอยู่ในโลกของเราเนี่ยเราจะมีความทุกข์น้อยมากทีเดียวเลยน้อยมากจริงเราจะมีความสุขมากๆเลยบ้างเถิดเจ้าค่ะทีนี้ที่คุณตื่นใจถามถึงว่าเราจะเริ่มยังไงนะเราก็เริ่มไอที่เราเห็นเห็นได้ก่อนเลย เห็นๆได้ก่อนในอย่างเราไปซื้อเค้กมาอย่างเงี้ยเขาก็มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนก็มีครีมอยู่ข้างบนเขาต้องมีสตรอเบอรี่แน่ต้องมีไข่ขาวแน่นัเราเอาพวกนี้มาก่อนนะพวกนี้ตรงก็พูดถึงเรื่องของศีลนะเราเห็นชัดเจนเลยศีลนี่ทุกคนมีแน่นอนนะเขามีออกกฎหมายมาห้ามเรื่องศีลห้ามเรื่องตรงนี้ตรงนั้นนะเราเราทำไปนะส่วนเรื่องอื่นๆที่เรายังยังไม่รู้เราก็ค่อยๆรู้ในอย่างกล้วยหอมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเราต้องใช้เค้กกล้วยหอมต้องมีกล้วยหอมนะโอ้ยกว่าเราจะรู้ว่าต้องเป็นกล้วยหหอมสุขนนาดไ โอมันต้องใช้เวลานะในการที่จะจะมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆทำไปเราจะนะจะจะท้อถอยไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะก็คือยอมคิดว่าตรงนี้สิ่งที่พระอาจารย์ตื่นสติก็คือเราต้องมีความตั้งใจจริงมีความเพียรที่จะต้องประพฤติปฏิบั ต, บติตามนั้นตามที่คําสอนของพระพุทธองค์นะเจ้าคะโดยนำํำสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่ง ส, งสอนไว้ว่าการที่จะทําให้เรามีความสุขสงบมีสติ รู้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงนั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็มีความเพียรในการที่จะต้องฝึกปฏิบัติไปใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ฝึกให้มากขึ้นจิตเราก็จะเข้มแข็งขึ้นโดยลาดับทั้งนี้โดยที่ว่าไม่ต้องไปคำนึงหรือกังวลมากมายเพียงแต่ขอให้ตั้งจิตแล้วก็ปฏิบัติไป เราก็จะได้ส่วนผสมที่เหมาะเจาะอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนหรือว่ตรัสไว้ใช่ไหมเจ้าค ะ, ะคือส่วนผสมตรงนี้นะคุณตันชัสรุปมาตรงนี้ถูกมากดีมากแตนะว่าส่วนผสมที่เป็นแม่แบบอยู่แล้วเนี่ยนะคือเรื่องของมรแปดนะคือไม่มีออกจากนี้นะมรแป8นี่คือส่วนผสมที่ถูกต้องของจิตแล้วในการที่เราจะดําเนินชีวิตแล้วประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําหน้าที่อะไรนะคุณเป็นทีดีเราทิ่ดีปดรรดาศักดข้าราชการหรือว่าอยู่ในการเอกชนเนี่ย ทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนผสมของชีวิตคุณต้องมีแค่มรแปดเท่านั้นแตนะถ้าคุณเอาอะไรที่เกินนี้มาผสมคุณจะเริ่มมีปัญหาในชีวิตนะถ้าเอาเรื่องความคดโกงมาผสมอันนี้ไม่ใช่อยู่ในมรละชีวิตคุณเริ่มมีปัญหาแล้ะถ้าคุณเอาความกรธเอาความโลภ ม, มาผสมนะเริ่มจะเริ่มตรงนี้จะเริ่มแย่แล้วตรงนี้จะเริ่มหลุดออกไปแล้วไม่กินแม่อร่อยลนะชีวิตจะเริ่มบูดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องมีมาตรฐานนะของส่วนผสมของจิตของเรานะพระเจ้าพูดถึงเชิงรางของจิตเนี่ยนั่นคืออริยมรไมีง8 นะเปรียบเทียบกับเชิงรองของหม้อหนะม้ออินเดียสมัยก่อนก้นมันจะกลมๆนะมันจะหมุนกลิ้งไปได้ง่ายมันต้องมีเชิงรองเพราะฉะนั้นเหมือนการไอส่วนประสมของจิตของเราเนี่ยเราทําให้คือธรรมะเนี่ยต้องเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันนะไม่ใช่เฉพาะอยู่ในเขตวัดอยู่ในรั้ววัดมาวัดนะบางวัดอาจจะมีธรรมะไม่มีธรรมะไม่รู้นะแต่ว่าพอออกมาชีวิตประจมาแล้วคุณกับทําตัวตามสบายไม่มีธรรมะอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณยังไม่เข้าใจนะคือมันต้องเป็นเหมือนกับวิถีชีวิตวิถีทางมักนี่แปลว่าทางเป็นวิถีทางใช่ไหม มันคือวิถีในการที่เราจะดําเนินชีวิตของเราใ ห, ให้เราการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยจิตของเราทุกขณะจิตเนี่ยทุกเวลาเนี่ยอยู่ในมัดนะส่วนประกอบของจิตเราตรงนี้จะถูกต้องบางทีมันหยาบบ้างละเอียดบ้างแต่ยังไงมันก็ยั ง, ยงดีอยู่ยังอยู่ในกรอบยังอยู่ในร่องรอยที่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขได้ตรงนี้อีกนิดนึงว่าบางคนเอาส่วนผสมที่ไม่ถูกเ น, นี่ยมาใส่เช่น ว, ว่าเวลาอยู่กับคนนี้เราทําจิตดีได้ หรือเวลาที่เรามีลาบสการะเกิดขึ้นเวลาที่คนต้องให้เงินเราเราดีจะตายเลยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอเขาเปลี่ยนเป็นปคนอื่นเขาไม่ให้ลาบสการะเราไม่ให้เงินเราไม่ให้ลาบประจัยสเราเราเริ่มส่งกลิ่นไม่ดีละเริ่มส่วนผสมของเราเริ่มผิดละแล<ร>ะเพราะฉนั้นมันจึงเกี่ยวกับเรื่องเวลาด้วยต้องตลอดเวลาส่วนผสมต้องถูกทําอยู่อย่างต่อเนื่องะทําอยู่อย่างบ่อยๆตรงนี้เราต้องมีการตรวจสอบจิตของเราตลอดตรงนี้ก็คืออินทิบาร์ซอีก ทำไมที่เรามีการตรวจสอบจิตของเราอยู่เรื่อยนั่นคือวิมังษานีก็เป็นส่วนประกอบของสมาธิอันหนึ่งนะพูดไปแล้วนี่มันคืออันเดียวกันหมดเลยคุณเตือนใจอย่างเรากินเค้กช็อกโกแลตเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันใส่ไว้ในปากคําเดียวเลยสบายาใจมากอืมเจ้คาค่ะน่าสนใจมากเลยนะเจ้คาค่ะตรงนี้เป็นยงคิดว่าเป็นแง่คิดที่เตือนสติแล้วก็เตือนใจท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนนะเจ้าค่ะที่ว่าเริ่มจะหันมาเห็นคุณประโยชน์ของ คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค ะ, ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยมอยากจะขอกราบนักศการหรือว่ากราบขอนิมนต์พระอาจารย์ไพบุญอภิโปุโนนะเจ้าคะเราเหลือเวลาในรายการประมาณสักสามนาทีโยมอยากจะขอให้สรุปในเช้าวันเสาร์นี้ก่อนนะเจ้าคะว่าสิ่งที่พระอาจารย์จะฝากไว้ก็คื อ, อให้บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยได้ทําจิตอย่างไรสรุปอีกครั้งหนึ่งสําหรับในเช้าวันนี้เจ้าคะ่ะ ส ร, สรุปว่าส่วนประกอบของจิตที่เราจะต้องมีนี่นะคื อ, อถ้าสรุปอย่างละเอียดหน่อยอนะก็เป็นมรรคทั้ง8ดนะสมาทิ่ถสมาสังกปะสมาวาจาสมมา ก, กามันตะสมาอาชีวัสสมาวายามาสมาสติและสมาสมาธินะแอย่างนี้นะเอามาผสมรวมกันในจิต ข, ของเราทุกเวลานะตลอดเวลาเราทํางานเราก็ทําได้นะเราอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้ไปวัดเราก็ทําได้ละเอียดหยาบนะตามขั้นตอนตามกระบวนการตามสถานที่ไม่เป็นไรแต่แต่เขาให้มีส่วนประสมนี้ ส่วนประสมที่ห้ามมีเลยนั่นในจิตของเรานะเพราะว่าถ้ามีแล้วมันจะไม่เข้ากันมันจะไม่มีทางไปด้วยกันได้นั่นคือมิจฉามักนะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปามิจฉาวาจามิจฉากรรมันตาพวกนี้มิจฉาสมาธินี่ห้ามมีมีแล้วจะทําให้เราประสมกันไม่ได้เหมือนเยลลี่ที่ออกมาแล้วไม่เป็นรูปเป็นร่างนะเหมือนอาหารที่กินแล้วไม่อร่อยมีรสขมอาหารเสียพวกนี้เราแยกออกไปเราปาดออกไปแล้วจะปาดตรงนี้ออกได้คุณต้องใช้มีดที่คมมากนั่นคือปัญญาแตนะ่เราปาดส่วนที่ไม่ไดีออก นะพยายามพัฒนาจิตของเรานะปรับปรุงใช้งานอยู่เรื่อยๆทําซ้ําทําย้ําทําให้บ่อยๆทำให้เจริญกว่าที่นักนะทำอาหาร เ, เขาจะทำ ช, ำชำนานาญไดเ้เขาจะต้องคนที่ปั้นซูชิยถ้าคุณเตือนใจอาจจะเคยดูสรารคดีเขาต้องปั้นเป็นหมื่นๆก้อนนะกว่าที่เขาจะปั้นซูชิได้ดีออกมาเป็นรูปตามที่แบบที่เขาต้องการแตนะ่เพราะฉนั้นเหมือนกันเราต้องฝึกฝึกเอาไว้ฝึกเข้าไปนะเรามีเวลาอยู่จิตเรามีทุกขณะจิตอยู่แล้วเราตอนนี้เราก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่เราฝึกได้ตลอด ค่ะก็เรียกว่านำเรื่องของการฝึกจิตมาใช้ตลอดเวลาที่เรามีสติอยู่นะเจ้าคะถ้าพูดง่ายๆก็คือตลอดระยะเวลาที่เรายังมีลมหายใจหรือมีชีวิตอยู่นี่แหละไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนไปปฏิบัติธรรมหรือว่าอยู่ในชีวิตประจาวันที่จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆทั้งเรื่องของครอบครัวการงานที่บ้านอะไรต่างๆนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราฝึกจิตของเราตลอดเวลา จิตก็จะเข้มแข็งมีกําลังแล้วก็มีปัญญารู้ทันสิ่งที่มา เ, าเรียกว่าผัสสะทั้งหลายที่เข้ามาก่อขุนจิตใจของเราใช่ไหมเจ้าคะเราก็จะวางเฉยมีความสุขอยู่ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถูกต้องไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องสรุปดีมากก็คือมีความสุขอยู่ได้นะกินอาหารอร่อยว่างันเถอะเจ้า ค, ะค่ะ ก็คิดว่าท่าผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังพระอาจารย์ภัยบุตรอภิปุโนโรพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้สากชาหรือสนทนาธรรมะมาในเช้าวันเสาร์นี้คงจะได้แง่คิดนะคะว่าสิ่งที่เราจะต้องมันฝึกมันปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั้นเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านที่เริ่มมาหันมาทางธรรมะเราเริ่มฝึกสติอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็คงจะท้อถอยไม่ได้ละค่ะต้องทําตลอดเวลาในทุกขนาด จ, จิตของเราเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์พิบูลท่านได้เมตตาชี้แจงแล้วว่าทุกอย่างนั้นอยู่ที่ลมหายใจของเราตราบใดที่เรามีลมหายใจอยู่ก็คงจ ะ, ะถ้าเรามีความตั้งใจจริงก็ต้องฝึกสมาธิฝึกจิตของเราให้สงบอยู่ ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งจีแน่ไว้แล้วนะคะค่ะวันนี้ถึงเวลาที่จะต้องกรับน้ำมัสการลาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุน โ, ปนโนแล้วล่ะคะ่ะพรุ่งนี้เช้าตีห้าถึงตีห้าครึ่งเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในรายการธรรมรารับุรุนนี้ค่ะซึ่งพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุน โ, ปนโนท่านก็จะได้เมตานําธรรมะดีๆแนวคิดดีๆมาเสนอให้ผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะ โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดท่โทภาโซเป็นเหมือน อ, องค์ที่ปรึกษาประจํำรายการธรรมารบรุลนของเร า, าท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหสุกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนไหสุกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเรามากราบนำ้ำพการขอบพระคุณและกราบน้ำพิการลาพระอาจารย์ไปบุญอภิปุนโน พ, พร้อมกันแล้วมาพบเป็นใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารยาา์เจ้าขาเดบอนสาธุเจ้าค่ะ